ไม่อยากแม่ะแล้วหนูต้องการผูกเวรก็ไม่ได้ว่าผูกเวรแต่ว่าตอนนี้ยังรับปากออกูแล้วว่าจะให้พาอีกต่อแต่ตาโปตอนนี้ยังทำไม่ได้โปก็รู้เลยมันไปติดขัดอะไรถึงทำได้จริงๆมันทำได้นะหนู มันเดินทำได้มันขาดตรงไหนที่ทำไม่ได้มันขาดตรงนี้นมันวางาลงไม่ได้มันพอมันก็ยังคิดอยู่เออดาบระยะให้ย่างเป็น่ง ยังคิดอยู่จยแล้วนักคิดว่าอยากจะวางได้ั้ยผงก็พูดยังไงก็พูดประมาณนี้นี่แหละองไม่ได้พูดแต่ว่าคุณนิคุณนิเขาเขาบอกว่า ให้ไท่ภัยเขาถ้าเขาตีหนูอยู่ก็สองนัง้มัดไมค่คืองจะเชื่อมัดเลยไม่ไม่ได้มัดหนูไม่เลยแต่ทีไร ห, หนึ่งก็ที่ที่เป็นลรคติด ก, กันใคบางคนเริ่มโซ่มัดซ้อมเลยนะ แต่เดี๋ยวนีวา <c oughs> ้างจริงๆการที่เรามีพ่อรักษีนน่นี่เขาเขามีความรู้ว่าเราเป็นสมบัตรของเขาเข้าใจไเขาคิดว่าเราเป็นสมบัติของเขาเป็นลูกของเขาก็ไปทำงะไรเขา คิดแบบนี้ความเข้าใจกอย่างนี้เข้าใจงั้นถ้าเขาจะตีจะทกุกจะทาแต่เราเร้อยทอยู่แลวเอาลูกขให้เราเข้าใจข <c oughs> เขา้เข้าใจกันยเสีเราจะชอบหรือไม่ชอบมีชนะ่ีอนร้อน้จะร้อนไหมคะ อันนี้ฉันต้องให้คุณงูมองเห็นไหมว่าเขาเาคิดแบบนี้ฉันจะเอ่าให้ฟัง พ่ออยากจะตียันทันเองฉันไปทำ น, นี่สิ่งที่เพราะพ่อไม่พอใจฉันหามาให้พ่อประมาณสิบกว่านันด้วยและก็ยืนขอด้ว่านพ่อเอตายหมดเลือดไหลดูเคยไหลยันไหลอันนี้เลือดไหลรักเยื่นหมด โตขึ้นมาไปคุยเรื่องนี้น้องพ่อเนาะร้องไหมพ่อไม่ต้องร้องเข้าใจที่พ่อทำเข้าใจความรู้สึกของพ่อตอนนี้ไม่ได้พูดเรื่องถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำไมพึงไม่กดพ่อ มันถือว่าเป็นเรื่องใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลกันจริงๆแล้วคนที่ทุกข์ที่สุดคือพ่อรี่เราทำไมพ่อถึงไม่อยากได้ยินเสียงลราหนูรู้ไ้มไม่อยากให้เรานูรู้ไห้พ่อเลย พ่อเขียนหรือได้ยินเสียแล้วความสุขผิดมันโผลพ่อแก้ปัญหาด้วยการกบเกิดด้วยกินเล่าบ้างทำอะไรให้มันลืม จริงๆต้องการการปลดเปลื้องความสึก ข, ของพ่ให้พ่อเบาลงก็จะยังมองออกไหมถ้าอย่างนั้นตาฝ่ายต่างไม่ปดิดเลงเราก็ไม่อยอมพ่อ พ, อพทุกเมื่ออยู่กันอย่างนีน้มันอยากจะมองหน้ากันไหม เขาเห็นเราทีไรในความรู้สึกที่ผิดมันก็โผลนะ่ธรรมชาติของคนที่มีคิดคิดแบบเนี้ยมันผิดไม่เป็นมันยอมตายกับความผิดเขาเยอะอย่า ง, งหนูต้องอานให้ถามว่าจริงจริงมันเป็นแบบนี้หรือหนูต้องการจะโผล่กันไปอย่างนี้ในทุก อ, อันทั้งข้า ทานี้คือผูกแล้วใจนี้นหนูอยากจะไปในอาัาภาพอื่นแต่หนูจะต้องไปจองเวร น, นะครับไปทุบพ่อต่อนห้ต่อไปไปอีกอาณาจหนึ่งก็โดนทุบเป็นไปทุบเป็นมา ห, หนูต้องการแบบนั้นไหมหนูต้องการให้มันยุดติมันต้องยุติในใจของคนนี้น เราต้องยึดดีให้ได้ก่อนจริงๆคือไม่ไม่โกรธแล้วก็สลัดความรู้สึกไม่ดีทั้งหนายทิ้ไปนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าอาฆาตคือแบบนี้ไอคำพยายามบาทก็ดีอาฆาตก็ดีคือการที่เราไม่ไม่ให้อภัยเราจะถือไว้ทำไม ก็ถือไว้ในใจเรามันเป็นทุกลับกินใจเราใช่ไหมเช <c oughs> ื่อว่าเราทําถูกไหมลราเบียดเบียนตัวเราเองด้วยและพ่อเขรู้อยู่ว่าพ่อเขาทําให้ถูกเวลาเขาได้ยินเสียงรู้เห็นหนุมทีไร น, นี่ความรู้สึกแบบนี้มันเข้าเบียดเบียนเองเข้าไหม <c oughs> เขารู้นะว่าเขาทําไม่ถูก หนูต้องการอยากให้พ่อพู ด, ดว่าขอโทษหนูใช่ไหมหนูต้องการอย่างนั้นอยูไม่ต้องไปต้องการในโลกใบนี้อาการแบบนี้เยอะมีลูกศิษย์คนหนึ่งจับลูกจับลูกแล้วกล้ามโซ่แล้วตีตย ไอ้เจคนคนนี้เด็กคนนี้พอฉันไปแล้วมันก็มาบวดเน้นคเทื่ต่อมาพ่อค่วยฉันให้กลับไปดูแลพ่อแล้วก็ให้ปลงความสักหนักเ น, นื้นอย่างนี้ถือว่าห น, น, น, น, นักมาจากลูกเล้าโซติงเลยหนักมากเออไอ้เด็กคนนี้มันยังยั ง, ยงถอดความรู้ดิกได้ ฉันตอบอยังไงด้วะฉันอบอกว่าพี่เด็กพูดนัดเดนเติมน้ำร้อนนิดนึงเติมน้ำร้อนนิดนึงได้ดาร้องติด นี่นะกลมก่อก๋อรอตก็ประมาณสีเพราะ่อฝนตกมันขับไม่ได้ตกไม่ค่อยดีงั้นนอ น, นี่เลยไหมลูก น, น, น, น, นตกขับไม่ไดฝนไม่ตกขับได้ ตรงนี้เลยก็ได้ให้เราเหีือพรุ่งนี้แม่ทากับเขาให้กูตอนนี้ต้องออแรีบไปเลยเดีด๋ยวจะไไม่ถึงกันไป ไม่ได้ถอนได้ในครั้งเดียวผมต้องมาต้องต้องมาหาระจำเลยบ่อยจริงๆจริงๆแล้วถ้าหถ้าหากองได้เร็วที่สุดก็ชื่อว่าเราไม่ผูกกัน แ, แค่หนึ่งหนึ่งนาทีที่เราผูกไว้ก็มีโทษมาต้องหรับตัวเราเองได้สำหรับตัวพ่อเอง กระแสชีวิตที่เป็นเคยผูกกันมาเคยประทุษร้ายกันมาจริงๆแล้ไม่ควรไม่ควรผูกต่อเราควรตรุงใจว่าเราจะไม่อาฆาตใครอีกจะไม่เปยบบาดใครเีกแล้วโดยเฉพาะบุคคลเหลนี้นเป็นพ่อเลยด้วยหรือเราควรเราควรตั้งความรู้สึกว่ามันเป็นโทษเยอะสิ่งต่างๆอนนี้มันขัดขวางขัดขวางค ว, วามเจริญของเราด้ว ย, วยขัดขวางความสำเร็จของชีวิตเลยนะ มันอาจจะคิดหนูอาจจะคิดว่ามันสมควรที่ต้องโกรธไม่ว่าความโกรธอะไรแม้โกรธตัวเองเนี่ยไม่สมควรหรือและที่ไปโกรธกับคนที่มีอุปการะคุณที่เป็นพ่อไปแล้วถึงที่สมควอย่างนี้นเขาจะผูกเรื่องของเขาแต่เราอย่าผูกคนผูกความโกรธไว้ในตนความโกรธไว้ในตน ชื่อว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดเลยเหมือนคนเอาไฟเผาตัวเองแล้วไม่ยอมเดินออกจากกองไปไม่ใช่เป็นความฉลาดให้ออกให้ได้มันไม่ใช่เป็นความดีอะไรเลยจะปเบียดเบียนตัวเองอยู่ทำไมการเบียดเบียนตนเองเนี่ยประทุษร้ายตนเองเหมือนหนูเอาไี้ แล้วความใจเนี่ยก็ไม่สามารถจะลืมมันได้พ่อเขาเป็นเหมือนพ่อไดยินเถียงหนูเห็นหนูที่ไรแต่ความรู้สึกเบบ น, นี้มันเกิดตลอดพ่อถึงไม่ค่อยอยากเห็นไม่อยากได้ยินเสียงมันเหมือนเอาหนามไปแทงใจพ่อแต่แต่ถ้าหนูบอกเสียบอกพ่อหรือหนูเนี่ยควรจะปรองใจตรงนี้ได้แต่วันนี้หนูปรองใจได้แล้ววางได้แล้วบอก พ่อเลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูจะไม่เอาความคิดเก่าๆที่พ่อเคยเทาน เ, นย เ, เกิดปัะทุสบ์เนียเอามาโกรธอีกแล้วนะน อ, นอนนี่เลยแหละแล้วเดี๋ยวให้แม่เอาอาหารมาถวายพระพรุ่งนี้ด้วยหนูบอกแม่แนละ้วเค้าไหม